พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องนางมากปินคำภูทีสามเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูป ร, รียธทรมพกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไา้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ โสเซนาปโมค ก, ออกันาติสาทาวุดุราสะปุริษาตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวนหมู่อันนั่งอยู่นานนำเปื่อฟังธรรมติดต่อวังสางกอปารามีตามพระมุนีสอนไว้ตั้งแต่ไทยเดิมมา ว่าแม่นภาธานะาไขรอดอำมาตยยอดนิราพานจุงหือตนันจะใจรักษาศีลไว้กับตนก็อยถอยหนก้ากานีออกจากกมามะกุนปัญญาห น, นเตืีมกรรมเปลี่ยนพรอมพัมตังดีอดขันตีกูเชือ้อ เจไฟเอือเอาเ้าบ่อเกิดเป่าดวนสันสัจจะมันตามธรรมอาทิตทานนำมันแก่นเบตาเ่นตามกองเบคขาปองเมียดไว้นำออกใจตามร้ายปารามีลายฟุงนี้นับทวนทีสิบภาการ มีคือตานเป็นเก้าเบคาเล่าเป็นปายกันยิงใจน้อยใหญ่ปำเป็นไข่ตึงดีเป็นปารามีสุดยอดจริงจักรอดเนราปานันสุขสำราญเตียงเต้าบ่อแก่เท่าจาราจุมสัทธามวนหมูมานั่งอยู่เป็นสายย้อนใจายทั้งต่อจักสร้างก่อปารามี จุงแปงใจดีพองแผ่วฟังไปแล้วปิดจรณนาถเมพญาตัวเก่าเฮือมาเต้านำเราจากนำมาเก่าเฮือข่าวเหย้าไปแลยนะโสเสนาป่าโมโคส่วนเสนาผู้เท่าปอนังบาปสาวมัตตาีตาวันดีต่ำก้อยลับได้หน้อยเขาเขียว จิงปอกเหลียวขึ้นสูยัที่อยู่เกห้าหูขีญยาที่ถอยว่าลูกนิ่งถอยกาดีปกขวดีกาผากแล้วนี่จากเคลื่อนตนออกเตี้ยวหนดีนาบอูว่าแดนใดเสนาในผู้เท่าฟังํำเล่าใครจะโคตรนำน้าลายแล สารแผ่ตั้งตนดังไฟล้นลวกไม้เต่าปาดในสัญญาพิจาราณาดันสอดเอายังยอดปรมีคือขันตีคุณใหญ่มาใส่ไว้ในใจแล้วจะใครบอกเล่าแกนั้งนเนา n ภริญาตั้งตาสาข่าใจหือหูไข้ยิงใจ วาสุตั้งลายจูผู้อย่ากเก่าปันภัยม่นคนได้ทำเก่ า, าย่าได้เก่าใครปันเหตุตัวมันใจถอยบ่อยู่ถอยเอากำใจอาทำกรรม ก, มกี่กันบ่ลีน่นีหายจากตกกลายไม่เดือดบ่เหือดเหมือนนั่นโศกมองผ่านบนเศร้าตกคำเจ้าคืนวัน วานนี้มันนี่จากกูนี่หากยินดีกันบ่หนี่ภากนากูเตียงคาบันไตบ่ยาจะละนะที่นี่จากมันนานาจากเก่าถึงนาต้าสุริยากันไก่กาจากหอ้องโขงเขตต้องเมืองตน ตามกุศลปังกอนหากจักสนนนำตังเจ้าบุญขวางยศใหญ่บบมือไข่นนวในก่ยอยเตีวยวไปจะใจนับอันใดเดือนปลายจิงพันภายไปรอดเมืองแก้วยอดตักกสิลาแห่งพญายดยา้ตาตนภาพดาวกันทารบุรี อาชาตานีใหญ่กวางคนเราอ้างเบิ่นมาว่าตะกาศีนันไสมีอาจารย์ใหญ่สอนคนจกเวทมนเสียงขาดตั้งสิปัสสัจโจภาการจุ่มลูกลานแห่งเต้าตนภาพดาวแดนไกลูกเสนาในอามาดลูกอุปราชเศรษฐี จากปุรีใหญ่น้อยไหลหลังถอยมาจูอยู่กับผู้ยศใหญ่นับอันใดปอปันพ่องเฮียนฟันเงาวดาบเจิงหอบภาพศัตรูหญิงธนูดาไม่พ่องเฮียนใส่มนย่ำพ่องเฮียนทำบิเศษพ่องเฮียนเวิหมอยา พ่องเฮียนโหราเก่าเกือตามไฟเอือไามันเจ้าจอมคันไปรอดเข้าถึงยอดอาจารย์ก็ไขการบอกเก่าหฮือเขาวตามมีก็มีหันและนะเมื่อนั่นป่าโมคาอาจารย์ผู้เท่าฟังํำเจ้าสุริยญจริงใครจะตาต้านต่อว่าดุราเจ้าหน่อใจรม ลาคาหน้างามองอาจโอโรตราดปาร า, าสีพระเพณนีมีไว้ตั้งแต่ไทยเหมือนมาบ่อวางละยั่งย่อนบ่อพันพ่อนคนใดเป็ียนเจ้าหอใจภาพดาวเป็นลูกเต้าลานพาญาลูกเสนาหนุ่มเท่าลูกอาหมัดเก้าเศรษฐีลูกกะหับดีปอกา โลกไฟฟ้าคนใดกันมีใจใครใดสิปัสสัดไว้เตรียมตนใดเตี้ยวหันมาสู่ยังตีอยู่ตัวเราเผื่อเหียนเอาสิปัสสัดนั้นองอาจกุนนามีนานาต่างๆ ต, า, งตามไฟอ้างไฟมันจุงเอาคำปันกะใหญ่มาวางไว้เป็นทารา สปาสิบ ป, า, ป, ปาหลายลาอันหนึ่งหากปันคำแม่นเฮียนนำลายสิงกาก่รยิ่งหลายปันใส่เนื้อคันตั้งไว้จริงจากใดเฮียนมนก <c oughs> ันเป็นคนกันอยากตกลำบากอนาถาหาคำขาบ่าได้มีใจไฟสิปะกุลหรือลูกคุนลูกเต้าตนภาพดาวปุรี เงินคำ ม, มีแต่ใสาหากบ่อใดนำมากิตตนาบ่อขาดไขเฮียนศาสท้าสินอันเจียงจินน้อยใหญ่จุงอยู่ใกล้ตัวเราการหนักเบาลายแหล่บ่อเวนแหววัวงลาคำอาสาอยู่เฝ้าทุกคำเจ้ากระทำการเฮียนมนขานบ่อขาดบ่อภามาทกองดีปาเพนีนี่ใส่ มีแต่ไทยเดินมาจาขอจากเก่ี้หือแจ้งทีแถมคำพู้มีคำตั้งไว้บอกหอนใดกะตั้งการเฮียนบนคานองอาจสิปาสสัดอันใดยน่อมเร็วไว้จบจอดสุดเสียงขอดเร็วไว้ส่วนคนใดนั่นใส่บ่าววางไว้ยังคำเฮียนบนยำเป็นตัง และหยุดยั้งกะตำการหึงเวนานแต่ใส่จริงเฮียนใดสุดปลายตนองคใจมารอถึงที่จอดเราราจากเอาคำขามาไว้เรือขามใจตัวเราจุงเลือกเอาตามไฟตามคึอใจเล่งหันแดเตอ เหมือนนั้นสุริยากุมมันยอดซอยก็ตอบถ้อยไขจาวาคานีนาได้กล่าวว่าเป็นโูกเต้าปาราณสีเงินคำมีบ่ไรแต่บ่อใดนำมาขออาสาอยู่เฝ้ากับตันเจ้าอาจารย์ก็ทํำการได้ลากตามใจหากจักปันทุก้นวันพ่อมขวัย ตั้งน้อยใหญ่นักเบาขอเหียนเอาสิปัสสัดอันองอาจเจงซาขอคุณนาสอนสังฮือสมดังใจหมายแด่เตอต่อปัาญาแรกแต่นั้นไปนาเจ้านอลาสุรินยากุมารอยู่กับอาจารย์ยศใหญ่ปฏิบัติไข่กองดี กีดจะมีลายแลบ่อเว้นแว่อใดคือดังไฟตักน้ำกวาดเทียวพัมปัดผัวบ่อเม่ามัวหมุนเล่นตัวตามเส้นกองทำเฮียนหมุนยาสิปาสาจบชาลาเตียวปันอาจารหันหักมาบอ่อฮือภาไก่ตนสอนยังมนคุหญัย สิปาสาัดไขจูอันอันก็มีหันและนาตามัทถังประกาศเซนโตสัทธา า, าสัทธาสัพปัญญูตนเป็นครูแก่โลกคือปุนโกไยมานหันอติตานิท่านไปแจ้งพระจริงแสงเตสานาวาโสสุริญยาคุมมารู้ดังนี้เป็นตน้น พิกาวดุราพิกุสงตนทรรงสินใสบ่อเศร้าทุกคำเจ้าภาวนาส่วนนอปุทธาบุญมากอุปถาอาจารย์ก้าตามการน้อยใหญ่เวียนเสียงไขว่เร็วปั่นอาจารย์หันหักมากบ่อนเฮาภาคไก่ตนซอนยังมนวิเศษสภาวอาคม อันอุดมจุสิ่งสิปสัตยิ่งคุณนำดอคุณทำตีไวเฮียนเสียงไขจูพักการตนโพธิญาณนดนอลาบอตุนจ้าปึกนามีพระญาองค์อาจจบฉลาดเตรียวไว้บอมีภัยเฟียบใดจบเสียงไขจูพากการตามอาจารย์ผู้เท่าหากบอกเล่าสอนไข คือมนใจวิเศษกายกระเปกาญญาตามพาธานาไฟอ้างมนข่มจังปังปายมนเป่าสกไลต่างดาวคือลมเต้าเป็นคอนมนเป่าคนเมื่อมอนมวยหมดคือได้รอดขึ้นมาเป่ายักขาป่าไม่ผ่าแป้ไฟแดนดงมนขามคงหอกดาบ ยามรบภาสัตถูมนติดหูมอกนาดมนเป่าอากาศไปบนเกิดเป็นฝนหายใหญ่เป่าใบไม้ดินทรายฮือกับไก่ต่อนาเป็นผัวกาเตรียมใจมนเตียวไปบนน้ำมนหลอดรมกูหามีนานาบ่อน่อย เจ้าอยอดซอยหนอมูนีจบทองดีเสียงขาตั้งสิประสาดหลภาคการกอมีฮันแลยนาตาตาเปเตศิษาในกาละนันไซลูกศิษน้อยใหญ่หลวงลายพ้องเป็นใสเจ้อเจ้าพ้องเป็นลูกเก้าโยธา ลูกเสนาอาาตัดลูกภายราชเศรษฐีลูกกาบอดีปอก้าลูกเจ้าฟ้าหอใจอันมาไก่จากห้องคงเขตต้องเมืองตนเปื่อเฮียนมนอง์อาจสิปัสสั์เจียงคานมีพระมาบนบ่อน้อยนับหลายร้อยถึงปันเสียงเดืองนั้นสาวตัวเขตดาวสถ า, าน ทรงสามานถอยไร่ใจบาบใบปาลามีพระญาตุนเจ้าหุ้มต่อตาต่อจนหุ้มพระจนรบสู่ผาแป้หมูเจ้าจุมพ่องก่อหุ้มวนเล่นลบหลีกเว้นต่างเฮียนพ่องมีเพียนคำเจ้าเฮียนแต่เก้าสุดปลายพ่องใจหมายไฟเอือก เฮียนหลายเจื้อไหลพักการมาอยู่นานก่อนเจ้าไหลขวับเขาวาสายเฮียนสป้าสิป่าหน่อยใหญ่บ่อตันไข่สุดปลายเขาตั้งไหลมวนโมหันเจ้ากินกู้บุญมีพัญยาดีนิ่งกว่ามาอยู่ธาดุลนหลังป่อยเฮียนยังสิบปสาจบฉลาดอยู่ผักการ ตั้งอาจันยศใหญ่ก็ใจไฟแปงปั้นดังจอมควันดุกเตาสักเสินเหล่าน่าชุ่มสิษาบังหมู่อันตั้งอยู่ตามธรรมใจบ่ดำมนเศร้าก็ฮักเจ้าเหลือดลายเป็นดังสายปี่น้องเกิดรวมต้องเดียวกันยกจอมพวันหน่อเนาเฮือเป็นเก่าเจ้าจุม ส่วนคนหุมต่างบาปใจกยายปาลามีพระญาตุนจ้าหากมากกว่านานำย่อมอาธรรมจูโูเขาบ่สูญดีจังเจ้าบุญมีหนอหน่อยไครเกาท้อยนินตามีนานามากเต้าเปือือกเอเจ้านี่ไก่พ้องก่อไปสนศ์เกาวต้านต่ออาจารย์ วาราจาคุมมมนันตใสมานะใหญ่ดวงลายมันกึศหม้คำเจ้าจักเป็นเก้าแตนองมีใจจงการบาปกึศการหยาบหลายอันจุมหมู่มันบ่อน้อยนับอันร้อยกานาดได้สัญญามันแก่นกำเข่าเล่นถึงหู สิ่งมาจูบอกเล่าเฮือตันเจ้าอาจารย์บอกพอนานแต่ใส่เตียงจกักใดเล็งหันจุงฮือมันดีกว่าหรือบอกนาเมื อ, มองแดเตอร์เถสังวาจานังสุตตวส่วนทิสาปามุคาจาันผู้เท่าฟังคำเล่าใขรปั่นกอลิ่งหันแจ้งทีบมีตีสงสัย ว่าเขามาไขบอกเล่ามูสาเป่าได้ได้ย้อนเข่าลายจูผู้บ่ตั้งอยู่ตามกองทาริปองตดใหญ่หื้อตกใส่องค์คำจิงไข่กำไลถอยมีบ่โนยลายพักการป่โมขาจานผู้ใหญ่หูแจ้งไข่ตามมีจิงไข่วาตีสอนเล่าตั้งแต่เก่าถึงปาย เขาลหลมวนหมูปอกตีอยู่ไผมันก็มีหันและนะเตสุปาเลซุลำคนตั้งหลายน้อยใหญ่อันบาไปปาลาคนหนึ่งนั้นนะหาเท้าเป็นลูกเต้าโกสัมปี นามาก่อนมีบอกเล่าจี้ว่าเจ้าสมตััดกุมามรจากสถ า, านแห่งห้องแดนแต่ต้องเมืองตนมาเหียนมนองอาจศิปศาสนนาดาเบื้นนำนากรดนนาแห่งเจ้านอลาบุญมีพระญาดีบ่อนอยเฮียนสุดซอยไหลผาาักการ แต่ใจหานก็หยาบบอสุภาพตามกองทริปองตดใสแกเจ้าหนอไทยน า, นานาไดนินตาจะเล่าว่าไรเจ้ า, าลายผักาลว่าสุริยากุ ม, มาร น, นั่นใสมันก่าวไววันมาว่าเป็นดกงพ ญ, ญายดย้าภาพแผ่นดาวปราราี กำบอมีสักกากมันนั่นหากจะได้กันเป็นสายเชื่อเจ้าดังบันเลาไข่คำเตียงเอาคำก้าใหญ่มาใส่ไว้เหนือขันแล้วเหียนยันวิเศษทรายเป็ดนานามันเต่ามาตัวเป่าอุปถักเจ้าอาจารย์ก็ะทำการไล่แล่บ่เวินแว่บรรได จู่วันไปจะใจอาจารย์ใดคุณนาสอนมนยาองค์อาจสิปาาัสสัดหลายอันตัวแห่งมันนั้นเหล่าเตียงเป็นเผาวงสาแห่งเสนาคาใจหรือภัยไตย่สามารถส่วนอาจารย์บโบหูฟังมันอูจกใครก็ใส่ใจเป็นแก่นว่ามีแม่นสัจจัง ย้อนใจวังไข้เฮตันเล่าจื้อเมือนไปว่าเจ้าห่อใจนั้นเล่าเป็นลูกสิทธิ์เก่าตนกูจริงเอจูอยู่ไกลสอนสิประสาทวขยจูพภาการโาาสมาตั้กุมมันหาเท้าโอรเต้าโกสัมปีขึ้นเครื่องขี่คำเจ้ามันจังเจ้าบุญนา ใจเปลาอยากจะทำต่อตาเรื่องเรื่องก็มีหันเลยนะส่วนโพธิสัตว์ตนอง์อาจจบชาลาดสะป่าสิบ ป, ป่าหูขีญาแจ้งที่บอมีที่สงสัยว่าคนจังไรใจเศร้ามีมากเต้าหลวงลาย ย้อนจนตนใจหาเท้าโอรดเต้ากุสัมปีอันบอดีลายลาขากจากลากป่าไปส่วนคนมีใจจื่นสูหักเจ้ากินกู้องค์คำก็มีนำบ่อน้อยนอพระยอดซอยกันยิงได้ว่าแม่นอยู่ไปไปนาะหึงเดินจ้าเบือนนานจักเสียการแต่ใสบ่อนใดเป็นคุณ กูมาลุ้นอยู่นินับทวนทีปีปลายสิบปากุนยลน้อยใหญ่จบเสียงไขว่จูภาการกวรลาอาจารย์ผู้เทาปิกปอกเตาปุรีเรือว่านี่จากห้องเขาเถื่อนทองดองนาแสแวงหาซอใสระศีใหญ่ทรงทําเพื่อกะทัก่อสร้างป่ารมีกวางเอาบุญ ยันสิ ป, ปากุลหลายสิ่งจากเจ้าสิญิ่งด้ดงหนอพุทธองค์บุญใหญ่ขึ้นขวาดใดในใจก่อเร็วไว้ไปสู่ยังที่อยู่อาจารย์แล้วใครการบอกกาวหือห้อข่าวตำมีก็มีหันแลนา บัททังปะกาเซนโตสัทธาสัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวาทาโคสุริยากุมารดังนี้เป็นตนพิกข้าเวดูราพิกคู่งตนทรงสินัสบ่อเศร้า หลูกสิทธเก้าสัพพัญญส่วนหนอบุญจูยศใหญ่คือเจ้าหนอไทยสุรินยากุมมานอยู่กับอาจารย์ผู้เท่าใดขวบเข้าปีปลายเฮียนกุญลายจู่สิ่งจบแจ้งยิ่งเร็วไว้บ่มีภัยเพียบใดตั้งหลกเต้าวไทยและลานผาญยาจุมศิทธาใหญ่น้อยอันใจถอยอาธรรม โดยไข่กัมสนสอว่าเจ้าน้อยนอลายภาการเพื่ออาจารย์ผู้เท่ารับไหลเจ้าบุญมีใดละนีกาภาค อ, กออกไปจากไก่ตานอพุทธ า, นาหนุ่มเนาหูเงินเก้าความนอนบ่มีใจคิวโคตบ่ไมายโตตือเวนมีใจเย็นตั้งมันกึ อ, อ ด, ดันตามธรรม บ่เอาคำคนเงาบ่ว่าวเก่าคนผ่านเนาะปูที่ยานยศใหญ่บ่มุนไม่บ่เ ง, งา บ, บ่ควรเอาอย่าแหงไปเตี๋มแทงกองไฟกันอยู่ไปเดินจาคนบาป ก, กาป่าลาเตียงจากปาฮื้อใดร้อนเดือดไหมเครื่องขี่กวนละนีจากนีไปสู่ตีเจยบาน หน่อบูที่ยันนมเนากันิงเล่าในใจก็เรียวไว้ไปสู่ยังตีอยู่อาจารย์และไขาการบอกเล่าตั้งแต่เก้าสุดปลายด้วยปริยายลายแหล่บ่เวนแว่อันใดแล้วซ้ำไขากาวถอยว่าคาหมอนน้อยขอลาเปืือกไก้กาขึ้นสู่ยังตี้อยู่เฮือนตน หรือเข้าไพศาลซอสอทายังยอดราีตนวัดดีองอาจเจ๊าฉลาดทรงญานขออาจารย์ไพ่พดงดเว้นโตดนานา <c oughs> แล้วเมตตาวางปล่อยเฮาน่อยไปดีแด่เตือ <c oughs> เมื่อนั่นป่าโมคาจานยศใหญ่ฟังเจ้านอไทยไขจารพิจารณาที่สั้นขึ้นสอดดันยาวไปว่าห้ามนำไหลห้ามใดพุดดินใส่มนาไฟลมะจู่กำห้ามด้วยน้ำดับเปิีวงัวควายเร็วฟังเฝ้าจักเจือกเน่าก็พัน บาปมาตั้นจู่จอดเรือบุญบารอต่อจนบ่มีคนหลมตายจักห้ามใดสมัยเหตุหญิงใจมวลหมู่ย่อมตั้งอยู่ตามกรรอันกะตั้สร้างแต่งด้วยตนแห่งไผมันหนอห่อจันยศใหญ่ขึ้นใจไขลานี รอยบุญมีปางก่อนมาจีสนบันดาลป่าโมขาจานผู้ใหญ่หูแจ้งไขหันไหนจริงจะไขตานต่อซึ่งเจ้าหนอพุทธาวรานีดาฮัเจ้าดังลูกเต่าเตรียมตนสับป่ามนกุหญ่ยมีพร้อมไขนานา สปาสิป่าคุญญิ่งมีหลายสิ่งหลายอันเราไขปั่นบอกเจ้าตั้งแต่เก้าสุดปลายบ่ได้ไม่สอนไว้สอนเสียงไข่ตามมีเราหินดีข so ้าขอให้ว่าเจ้านอน้อยมีบุญเฮียนสิป่ากุลายสิ่งจบทองยิ่งเรียวไว้บ่มีไผยเพียบได้ หัวแจ้งไข่เสมอเราบ่อมัวเมาแอวเล่นบ่อละเวนกิจการบ่อจ่าฮันสัวก่าว่าเป็นลูกเจ้าฝ้าห่อคำปีิเจ้าบุญํำยศใหญ่กึนมาไขลานีเราได้จ่าบอกแล้วว่าฮักเจ้านอแก้วเลือลาย นินเสียดายบ่อนยบ่ไครปล่อยวางไปเต้าคกิดใจหูแจงตามเก้าแห่งเวนกรรมอันกระทำบ่ผ่นแต่จาดก่อนเดิมมาว่ากรรมนานาลายหลากย่อมจะกลากยิงใจเฮือผันภายเตี้ยวต้องไปตามจ้องไั่บัน ย่ำบาปตั้นจุจอดย่อมถ้หมอดเครื่องขี่ย่ำบุญมีมาไขเตียนย่อมได้ใจบ้านจักมองผ่านกันอยากตัวลำบากขี่ขุมจากูอดมบางเต้าย้อนกําเก่าป่าบ้าตนบุญนานดมเนาวจักปอกเต่าขึ้นหลังตามใจหวังไฟโอย เราก็ปล่อยวางไปหืมีใจโจกวางสมไฟอ้างจูพาก า, ารป่ามโมกขาจา์ผู้ชาลาดกันอนุญาตวางปันเจ้าจอมขันนอลาปิกอายนานาีก็ใไขวาตี้บ่อน้อยสอนเจ้าหยอดซอยนาน า, นาก็มีวันนั้นแลยนะ เนธิตังขีญาสังวันานาวิเศษจากห้องเหตุนางมากปินคำผูกทวนสามลำดับตมแต่เกา่าถึงรอดเจ้าบุญมีจบทองดีชาลาดสิปาสสนานาใดขอลากระากนี้ไปจากอาจารย์จากบอกสถานตีเกา่า หรือว่าเขาดองพรยยังบอกใครก่าวจี้เือแจ้งที่ตามีใครฟังดีที่แจ้งก็ห้ฟังแทงปลายรุ่นก่อบังกลมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลว